กตัญญูรู้คุณคนเป็นสิ่งสำคัญนะไอ้หนูเกิดเป็นคนต้องไม่ลืมบุญคุณใครคนไหนลืมบุญคุณเขารับรองว่าทำมาหากินใหม่ขึ้นจะทำอะไรก็ตองเจงยายสอนขณะหลานชายนวดให้แม้ยายของผมเก่งจัง พูดภาษาจีนก็ได้ด้วยนิคขนาดไม่ได้เรียนหนังสือนะถ้าเรียนคงจะพูดฝรั่งอังกฤษเสียงฟุตฟิตฟอร์ไฟ์ไอเลิบยูใครสู้ไม่ได้เชละคนเป็นหลานพูดคล้ายชื่นชมแท้จริงตั้งใจข่มเรื่องที่ยายไม่รู้หนังสืออย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดคนอายุ8ปกล่าวห้าม ยายจะไม่ได้เล่าเรียนเขียนอา่านแต่ก็ยังฉลาดกว่าคนบางคนที่ยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซอรข้อนี้เองเห็นด้วยไหมยายตั้งใจประชดคนที่ชอบข่มคนอื่นยายครับมรืนนี้เป็นวันโกนยายมีโครงการหรือยัง ผมหมายถึงว่ายายจะทำขนมอะไรไปถวายพระแล้วผมต้องมีหน้าที่ไปตลาดหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าเรื่องที่กำลังพูดกับยายจะเข้าเนื้อตัวเองคนเป็นหลานจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสทันใดอ๋อจะถึงวันโกนอีกแล้วหรือแล้วเองคิดว่าวันโกนคือวันอะไรละ่ะไหน ลองชี้แจงให้ยายฟังทีสิว่าทำไมเขาถึงเรียกวันโกนสมัยผมเด็กๆพวกเราจะพูดกันว่าวันโกนกระทอนแตกวันพระกระทะแตกบางทีก็ว่าวันโกนโดนไม้เรียววันพระฉะเข้าเหนียวแต่พอโตขึ้นผมถึงได้รู้ว่าวันโกนคือวันที่พระเนนโกนผม หลานชายตอบนั่นเป็นวันโกนสำหรับพระเนนซึ่งท่านจะต้องโกนผมกันเดือนละครั้งทีนี้สำหรับคารวาสละ่ะวันโกนคือวันอะไรยายทำไมวันนี้ยายมาแปลกผมเพิ่งรู้ว่ามีวันโกนของคารวาส ด, ด้วยแต่คงจะไม่ใช่วันที่เขาโกนผมหรือตัดผมนะยาย แล้วก็คงไม่ใช่วันโกนหนวดหรือโกนขนรักแร้หรือว่าใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมยอมแพ้ยายช่วยฉเฉลยให้ผมฟังก็แล้วกันทำไมวันนี้เองถึงยอมแพ้ง่ายๆละ่ะไอ้หนูยายรู้สึกแปลกใจผมถือคติแพ้เป็นพระชนะเป็นมานครับยายอา้าวก่อนไหนเองว่า เิ่งเกลียดพระแล้วทำไมถึงอยากเป็นพระละ่ะยายเริ่มรุกด้วยเห็นเป็นโอกาสผมเกลียดเป็นบางวันอย่างวันนี้มันจำเป็นก็เลยไม่เกลียดคนอายุสิบหกหาทางไปจนได้เอาละ่ะเอาละ่ะยายขีดเกลียดเถียงกับเอง ตกลงจะบอกให้เอาบุญก่อแล้วกันยายรูปรัฐตัดความแล้วจึงอธิบายให้หลานฟังว่าวันโกนสำหรับขารวาดนั้นหมายถึงวันเตรียมการคือจัดเตรียมข่าวของตั้งแต่อาหารหวานข่าวไปจนถึงผ่าผนธนสบาย เพื่อจะไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดในวันพระเป็นเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนแต่เดี๋ยวนี้ยายไม่ต้องไปนอนวัดแล้วนี่ครับคนเป็นหลานแยงถึงอย่างนั้นก็ยังต้องเตรียมการเหมือนกันไม่ว่าจะไปค้างที่วัด หรือไปเช้าเย็นกลับยายก็จะต้องตระเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในวันโกนสำหรับเองก็มีหน้าที่หาบของไปส่งในตอนเช้าและรับกลับในตอนเย็นเหมือนที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันพระนั้นแหละครับ ผมก็ยังไม่เคยบกพร่องในหน้าที่เลยสักครั้งล้านชายว่าขณะเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ยายสองสามปีมานี้สังขารของยายร่วงโรยลงไปมากเขาจึงต้องมีหน้าที่นวดให้ยายทุกคืนจนกว่ายายจะหลับแล้วยายก็จะเล่าอะไรต่อมิอะไรให้เขาฟังส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษนรก สวรรค์ซึ่งเขาฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและที่ยายเน้นมากที่สุดคือเรื่องเทศมหาชาติยายพูดเสมอว่าผู้ใดฟังคาถาพันจบภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์แรงตายแล้วจะไปเกิดในาศาสนาพระศรีอาริยายครับผมอยากฟังเรื่องมั ก, กลีผลหลานชายเปลี่ยนเรื่องคุย อยากจะฟังตอนไหนก็บอกมาขืนเล่าทั้งเรื่องขืนนี้ก็ไม่จบเอาเป็นตอนตอนดีกว่าตอนหลวงพ่อช้างหอะไปป่าหิมพาน์กับแขกแล้วไปพบมักคิรีพน์นะครับเองอยากรู้อะไรถามมาดีกว่ายายก็ชักจะลืมๆเหมือนกัน คนอายุเจ็ดรอบว่าถ้าเช่นนั้นผมขอถามว่าป่าหิมพานอยู่ที่ไหนเขาทดสอบความเขาทดสอบความจำของยายหลวงพ่อทันว่าอยู่เลยภูเขาหิมาไหลไปสิบหกโยธอยากรู้อีกไหมว่าภูเขาหิมาไหลยอยู่ที่ไหน ยายถามแบบเดาใจหลานออกทั้งที่รู้ว่าเขาแกล้งถามอันนี้ผมรู้แล้วครับเพราะในหนังสือเรียนมีก็ยังดีที่อุตส่ารู้ว่ามีในหนังสือยายนึกว่าเองซื้อหนังสือมาไว้ดูเล่นซะเอีเพราะไม่เคยเห็นอ่านเลยสักครั้งแม่ยายแล้วก็ คอยจับผิดผมอยู่เรื่อยหลานชายตอบว่าไม่ได้จับผิดแต่เองเป็นอย่างนั้นจริงจริงเรื่องเรียนไม่เห็นเอาใจใส่ดีอยู่หน่อยตรงที่ช่วยงานยายคนเป็นยายไม่ไวายติติแล้วก็ชมก็ยังดีกว่าหาความดีไม่ได้เลยคนเราก็อย่างนี้แหละยาย ดีบ้างชั่วบ้างใครเลยจะดีทุกอย่างชั่วทุกอย่างถึงไอโจนห้าร้อยมันก็ยังมีความดีอยู่บ้างจริงไหมครับยายเขาหักนิ้วเท้ายายทีละนิ้วให้มีเสียงดังก๊อกเองจะฟังเรื่องมั ก, กระีลไม่ใช่หรือยายทวงครับป่าหิมพานเป็นอย่างไรบ้างครับยายและมีคนไปเที่ยวเยอะไหมไปอย่างไร หลวงพ่อทันว่าเป็นที่อยู่ของพวกฤาษีที่ไพรพวกโยคียที่บำเพ็ญตะบะพวกวิทยาธรคนทันมีสัตว์หิ ม, มพานต่างๆมากมายการไปป่าหิ ม, มพานไปได้สามวิธีคือไปด้วยฌานสมาบัติ วยทีนี้ต้องสำเร็จฌานด้วยการเจริญวาโยกสินแล้วเหาะไปดุจลมพัดวยธีที่ทสองคือสำเร็จระรอดคือทําป ร, รอดอมเหาะไปอย่างที่ยายเคยเหล่าเรื่องแคกมาตกที่ป่าช้าวัดตึกราชา แต่คนที่จะทำประรดต้องได้จานสมบัติโดยการเจริญเตโชกสินเพราะถ้าเขี่ยวโดยไฟสูงแบบที่เขาหลอพระประรดมันจะระเบิดแตกหมดต้องใช้เตโชกสินแทนไฟธรรมดาวิธีที่สาม คือไปโดยบุญว่าสนาไม่ความว่าไม่ได้ฌานสมบัติและไม่ได้อมประรดแต่เดินทางผ่านเขาช่องแคบไปวิธีนี้คนมีบุญว่าสนาเท่านั้นถึงจะไปได้เพราะช่องแคบที่ว่านั้นหายากมาก ลุงพ่อท่านว่าอากาศที่ป่าหิมพ า, าน่าหนาวเย็นมีหิมะปกคลุมนอกจากนี้ท่านยังบอกว่าแคกที่เป็นโยคีคนนั้นยังพาท่านไปดูเขาวงกฎที่พระเวทสันดรโพธิสัตว์มาอยู่บำเพ็ญบารมีเป็นชาติสุ ท้ายก่อนจัดรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นเรื่องพระเวสสันดรก็จริงนะสยายคนเป็นหลานพูดขัดขึ้นแม้เขาจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหากก็ไม่หวยสงสัยเองไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไอเถื่อลุงพอทันว่า บรรณศาลาของพระเวสสันดรก็ยังอยู่อายุสามหมื่นปีแล้วตนมะกะลีผลก่อเช่นกันมีอยู่ทั้งหมดสิบหกตนแขกที่เป็นโยคียเล่าว่าเมื่อพระพุทธาศาสนามีอายุครบห้าพันปีเมื่อไรบรรณศาลา กับตนมักรีผลก็จะหายไปหายไปยังไงล่ะยายคนเป็นหลานซักก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติแต่พระอินทร์นเนรมิตขึ้นมายายกำลังจะพูดว่าพระอินก็มีจริงเองไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนี่นะ หลวงพ่อช้างท่านอธิบายว่าพระอินทร์เป็นเทวดาที่ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่ได้เป็นองค์เดียวกันตลอดองค์ที่เนรมิตรบรรณศาลาและตนมกลีผลขึ้นมานั้นเมื่อพระเวสสันดรกลับชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า พระอิน์องค์นั้นก็กลับชาติมาเป็นพระอนุรตเถระซึ่งบัดนี้บรรลุพระนิพพานไปแล้วพระอินท์ที่อยู่บนสวรรค์จันดาวดึงในเวลานี้จึงเป็นองค์ใหม่ทำไมพระอินทร์ต้องมาเนรมิตให้ด้วยละยายคนถามเริ่มจะสนใจ แม้ไม่เชื่อเมื่อฟังอะไรเขาจะไม่เชื่อทันทีและเขาก็ไม่ปฏิเสธทันทีอีกเหมือนกันกลัวยายจะว่าเขาโง่เรื่องมันยาวนะไอ้หนูเรื่องกรรมและการเวียนวายตายเกิดมันซับซ้อนและลึกซึ้งมากชีวิตหนึ่งต้องเวียนตายเวียนเกิด ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะกรรมบรรลุพระนิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นจึงจะหยุดเกิดหยุดตายกันเรื่องพระเวทสันดรนเนี่ยเริ่มมาแต่งแต่สมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์หรือครับ แล้วก่อนที่จะถึงพระพุทธเจ้าของเราก็มีพระพุทธเจา้าบัติมาแล้ว24สีพระองค์เช่นพระทีปังกอนพระวิปัสสีพระสิกขียายจำได้ไม่หมดทุกพระองค์รักพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่25และทิดจะมาอุบัต เป็นองค์ที่ยีสิบหกคือพระศรีอาริเมื่อพระพุทธศาสนามีอายุครบหาพันปีแล้วหลังจากนั้นโลกก็จะว่างไปชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงจะถึงศาสนาพระศรีอาริคนที่จะได้พบศาสนาพระศรีอาริ จะต้องเป็นคนมีบุญคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าใครฟังคาถาพันจบในวันเดียวตายแล้วจะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอาริถ้าเช่นนั้นยายต้องได้พบพระศรีอาริแน่เพราะยายฟังคาถาพันมาตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็เห็นจะเป็นอย่างนั้น เองไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรยายพูดประโยคเดิมๆอีกเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อเธอยายคราวนี้คนฟังเปลี่ยนมาหักนิ้วมือให้คนอายุแปสิบสี่หักให้มีเสียงดังกอกที่ยายเล่าว่าเรื่องพระเวสสันดรเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น หมายความว่าในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนับถอยหลังจากนี้ไปเก้าสิบเอ็ดกับมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งสเสวรยราชสมบัติในนครที่ขึ้นกับนครพันทุมมีได้ส่งดอกไม้ทองและแก่นจันทร์ มาเป็นบรณกาลแด่พระเจ้าพันธุมราชพระเจ้าพันธุมราชทรงประธานของสองสิ่งนั้นแก่พระธิดาทั้งสองพระธิดาผู้พี่ได้นำแก่นจันมาบดเป็นผงและนำไปถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อมทั้งตั้งความปรารถนา ขออนิสงฆ์ในการถวายผงจุ่นแก่นจันนั้นให้พระนางได้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตตการเมื่อพระนางสิ้นทีพจากชาตินั้นก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์จุติ จากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทรงเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกราชเกิดเป็นเทวดาแล้วยังกลับมาเป็นมนุษย์ได้อิหรือครับยายได้สิไอหนูเทวดาหรือนางฟ้าก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ถ้ายังไม่บรรลุพระนิพพานก็ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอย่างไม่รู้จบสิน้นแล้วยังไงอีกยายพระธิดาองค์นั้นเป็นยังไงอีกล้านชายอยากรู้ทั้งที่ไม่เชื่อพระนางก็มาเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากิ ก, กิราชมีพระนามว่า สุธรรมมาเมื่อพระธิดาสุธรรมาเส่นฉีบก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงพระนามว่าพุดสดีเป็นเอกอัครมเหสีของพระอินทร์นรมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก่ดจุดติแล้วมมาอุบัติในโลกมนุษย์ ครั้งนี้เป็นพระธิดาของพระเจ้าศรีวิราชพพอพระชนมายุได 16, ส้สิบหกพันปาก็ได้เป็นอัคระมะเหสีของพระเจ้ากรุงศนชัยมีพระราชโอรสคือพระเวสสันดรยายเล่าแบบรูปรัมตัดใจความ เพราะจำมาอย่างนี้แล้วมันเกี่ยวกับมักลกีผลยังไงละยยยหลานชายถามเกี่ยวสิใจเย็นๆไอ้หนูเอาละ่ะช่วยเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ยายอีกสักทีเถอะแล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อหลานชายทําตามยายจึงเล่าต่อออ ยายเหล่าคำไปนิดหนึ่งคือเมื่อเทพธิดาพุทธสตีจะจุดติจากสวรรค์มาบังเกิดในโลกมนุษย์ได้ขอพรสิบประการจากพระสวามีเทพมหาชาติกันแรกชื่อทศพรก็คือพรสิบประการที่เทพธิดาพุทธสตี ทูลขอจากพระอินทร์แต่ยายจำได้ไม่หมดรอกเมื่อก่อนจำได้เดี๋ยวนี้พอแก่ตัวลงมันก็เลอะเหลือนไปเอาเป็นบางขอ้ขอก็แล้วกันเช่นขอให้พระนางได้มาบังเกิดในปราศาสตรแห่งพระเจ้าศรีวิราชขอให้พระนาง มีพระนามว่าผุดสตีเหมือนกับที่อยู่บนสวรรค์เป็นตนพระอินก็ประทานพรทั้งสิบประกาศนั้นแด่อัครมหสีผุดสตียายแล้วถ้าผมจะไปขอพรจากพระอินบ้างจะได้ไหมครับหลานชายถามอย่างนึกสนุกไม่รู้สิ ยายไม่ใช่พระอินคนอายุแปิสตอบยวนยวนถ้ายายเป็นพระอินทยายจะให้พรผมไหมคนอายุ16ถามอีกก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละต้องให้เป็นพระอินท์เสียก่อนถึงจะรู้แม้ยายแล้วก็ขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องแค่พรก็ยังให้ไม่ได้คนเป็นหลานตอบว่า หยุดนวดแล้วทำไหมละ่ะนวดต่อไปสิยังไม่หายปวดเมื่อยยายสั่งเมื่อหลานชายนั่งเฉยอยู่ผมขี้เกียดนวดที่ยายยังขี้เกียจให้พรนี่นะหนุ่มน้อยทำกระเงากระงอดจะให้ทรงเดชได้ยังไงละ่ะไอ้หนูพรนั้นเราจะต้องสั่งต้องทำของเราเอง ไม่ใช่ไปเที่ยวขอจากใครๆแล้วทำไมเทพธิดาภูสดีขอจากพระอินหละ่ะที่ขอนั่นเพราะพระนางทำเอาไว้ก่อนแล้วคือตอนที่ถวายจุนแก่นจันแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นถ้าท่านไม่เคยทำไว้ พระอินท์ก็ให้ไม่ได้เรื่องของกรรมใครทำใครได้นะไอหนูทำแทนกันไม่ได้พรก็คือกรรมดีถ้าอยากได้พรก็ต้องทำกรรมดีใหญ่แล้วต่อเถอครับหลานชายออกจะรำคาญ ไม่อยากได้ยินเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเอ็งกอนวดต่อสิครั้นหลานชายลงมือนวดยายจึงเล่าต่อในเวลาต่อมาเมื่อพระเวสสันดรถูกเนรเทศให้ไปอยู่ป่าพระนางมัตสีและพระกันหาพระชาลีกอตามเสด็จด้วย พระอินทร์จึงต่องเนรมิตรรรณสาลาให้เป็นที่ประทับและเนรมิตตนมักลกีผลขึ้นมาสิบหกตนทำไมถึงต้องเนรมิตมักลกีผลขึ้นมาด้วยละยายคนเป็นหลานสงสัยพระองค์ก็มีเหตุผลนะสิคือที่ป่าหิมพม า, าน มีพวกโยโคีพวกฤาษีทีไพรใจลามกอยู่มากมายเมื่อพระนางมัดสีออกหาผลไม้มาถวายพระสวามีและพระลูกรลักทั้งสองก็อาจจะถูกพวกนี้ปลุกปล้ำทาอนาจารเป็นฤาษีทีไพร ยังอยากจะปล้ำผู้หญิงอีกหรุอยายอย่างนั้นสิแกกที่เป็นโยคยีแกเหล่าให้ลุงพอจ้างฝังว่าพวกฤาษีเหล่านี้บำเพ็ญพรตบำเพ็ญตบักมาเป็นพันพันปีแต่ก็ยังละกามคุณหาไม่ได้พระอินทร์เนรมิตต้นมะกอรีผลไว้ ก็ด้วยเหตุผลนี้ต้นมะกอรีผลมันจะไม่ออกดอกตามฤดูกาลแต่จะออกดอกเฉพาะวันที่พระนางมัดสีออกป่าหาผลไม้พวกฤษีใจสกปรกเหล่านั้นก็จะพากันมารออยู่ใ ต, ต้ต้นเมื่อมันหล่น กอดจะเก็บออกมาทำเมียแล้วก็จะถึงแก่วิสัญญีภาพสลบจะไหลไปสามเดือนถ้าอย่างนั้นตอนลงพ่อช้างไปพบก็ไม่ได้เห็นมันออกดอกออกผลนะสิครับเพราะพระนังมาสีไม่ไดีอยู่ที่นั่นแล้วหนุ่มน้อยคิดตามหลักของเหตุผลได้เห็นสิต่แขกนั่นเล่าต่ออีกว่า หลังจากที่ไม่มีพระนางมัดสีแล้วต้นมะกะลีผลก็ออกดอกทุกวันมันจะบานตอนหกโมงเชา้าและหกตอนหกโมงเย็นเจ็ดวันจึงหล่นจากต้นพวกฤษีวิทยาธรและคนทัน ต่างพากันมาเก็บเอาไปทำไมหล่นจากต้นแล้วหาเดือนก็หมดสภาพคือมันจะเหี่ยวและค่อยๆ ย, ย่อส่วนลงเพราะไม่มีกระดูกแล้วตอนที่ยังไม่เหี่ยวตัวขนาดไหนครับหลวงพ่อช้างว่าขนาดเท่าสาวรุ่นรุ่นอายุสิบหาจิบหก แล้วก็สวยมากคิวต่อคอปล่องนิ้วมือเรียวเหมือนลำเทียนไม่มีคอนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วโป้งยาวลงมาถึงรกลงหนึ่งของนิ้วอื่นๆไม่มีหายปราระผิวสวยเหมือนลูกมาปรางสุกผมตีทอง ตาสีฟ้าลืมตาเป๋าเลยแต่พูดไม่ได้ตาสีฟ้าเป็นยังไงครับตาดำหรือตาขาวที่สีฟ้านย่ายตาขาวส่วนตาดำเป็นสีทองลุพ่อท่านเหล่าละเอียดจนใหญ่มองเห็นภาพท่านบอกต้นมะ ก, กรีผลสูงใหญ่ ใบเหมือนใบมะม่วงแต่ใหญ่เท่าใบกล้วยดอกใกล้ดอกดอกล้วยมีพวงละหาดอกขึ้นในพวงหนึ่งจะมีผู้หญิงห้อยอยู่หาคนที่หัวมีขั่วใกล้หมังคุดแม่หลวงพ่อท่านน่าจะเก็บมาให้ญาติโยงดูสักดอกหนึ่งนะยายนะยายจะได้เห็นเป็นขวัญตา ท่านคงดำอย่างนั้นไม่ได้นะสิเอาไว้เวลาเองไปค่อยเอามาฝากยายก่อนแล้วกันยายรู้สึกง่วงจริงบอกหลานวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าอยากฟังพรุ่งนี้ค่อยเล่ากันใหม่กลับไปนอนที่ห้องเองได้แล้วอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระด้วยละ่ะ สวดอะไรกันทุกๆคืนเลยยายเสียเวลานอนอเปล่าๆหลานชายแยง้งเ อ, าอ้ายายบอกให้สวดก่อสวดพระจะได้คุ้มครองรักษาอย่าได้งกนอนมากนักเลยเอาไว้ตายซะก่อนจะได้นอนไม่ต้องตื่นเชียวหลักยายประชด หืนรอให้ตายก็ง่วงแย่สิยายหนุ่มน้อยยวนง่วงก็รีบเรีบไปจะไปรำคาญยายไล่ส่งหลานชายจึงกราบยายสามครั้งเหมือนกราบพระด้วยคิดว่ายายเป็นพระประจำใจของเขาจากนั้นจึงลุกออกไปยังห้องของตน